เมื่ออโศกแสดงอาการสงสัยอย่างมากภาวรีจึงอธิบายว่ากำไรนี้พระเจ้าพินทุศานพระราชทานข้าพระเจ้าสมัยที่ศึกษาอยู่นะตำหนักตะกัสิดาด้วยกันอย่าสงสัยเลยพระเจ้าพินทุศานเป็นสหายรักของข้าพระเจ้าเองข้าพระเจ้าต้องขออภัยท่านด้วยอโศกก่าวอย่างนอบน้อมที่ก่าวข้อความคลาดเคลื่อนไปซึ่งข้าพเจ้าบอกท่านว่า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 พ่อก็ได้มอบกําไรอันมีเครื่องหมายราชวงศ์แห่งนครมิทิลาส่วนพินทุสานก็มอบกําไรเครื่องหมายโมริยะวงให้พ่อไว้นี่คือกําไรเครื่องหมายโมริยะวงศ์พาวรีพูดพร้อมด้วยส่งกําไรมือให้ธิดาถ้าเจ้าเห็นใครใส่กําไรแบบนี้เจ้าก็รู้ได้ทันทีว่าท่านผู้นั้นถือกําเนิดในราชตระกูลโมริยะแห่งนครปาตาลีบุตร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 และประชาชนทั้งหลายเวลานั้นพ่อรู้สึกมีความสุขเพราะได้รับการยกย่องจากคนทั้งหลายมีเกียรตในฐานะที่นับเนื่องในราชตรกูล น, นั้นประการหนึ่งออกประการหนึ่งคือสำเร็จการศึกษาจากสำนักตากกซิลาตกาิลาเป็นศูนย์กลางการศึกษามาช้านานสำนักตกาิลาเป็นวิทยาลัยที่สูงสุดในดินแดนภารตะ